ต้องทุกต้องฝนดูไรเหตุผลบทความโดยคุณหลวงเสียงานโดยโจโชแความจริงที่เป็นทุกการได้มาพระเธอจะได้จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั้นเองอย่างใหลองดูเรื่องกันคือการประทังของเธอ คิดในใจอาจคอยส่งผลหรือไรอลันงกกส่งผลของกรคท จะไม่พร่าแสางแม้วันนี้จะอ่อนแรงด้วยทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้จะผ่านต้เจอทำดี